ท่าบัน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 ท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันในช่วงนี้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะครับที่กำลังระบาดกันหนักเนี่ยมันมีมาตรการกันอย่างไรวันที่9ก้ามีนาคมในอนุทินชาญวิรกุลรองในยงตรีแ้ำตรีสาสุ นะก็บอกว่ามีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตนะิแล้วก็บอกว่าเห็นชอบนะในการที่รองรับแผนบริหารจัดการโรคโควิดให้เป็นโรคประจำถิ่นนะบนพื้นฐานสุขภาพที่ดีของคนไทยนะครับแต่แล้วที่ประชุมก็บอกเห็นชอบให้เร่งรัดในการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุนะกลุ่มโรคติดต่อกลุ่มหญิงตั้งครรภ์หรือว่าที่เขาเรียกว่ากลุ่ม608ให้มากขึ้น ก่อนที่จะก่อนที่จะถึงเทศกาลสงกรานนะครับซึ่งถ้ามีการเคลื่อนไหวมีคนเดินทางกันมากนะกลับไปยังภูมิลำเนาก็คาดว่าการแพร่กระจายอาจจะสูงว่าต้องมีการควบคุมนะกันกันมากแต่อย่างไรก็แล้วแต่นี่ยรองนายกนตรีบอกว่าจะไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางกลับภูมิลำเนาฮันไะอยางงั้นนะครับ แล้วก็นีแต่ว่าก็อยากให้ประชาชนทุกคนยึดมาตรฐานทางสาธารณสุขในการป้องกันตนเองอย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างล้างมือฉีดวัคซีนนะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีถึง2ล้านคนนะที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยแมย้แต่เข็มเดียวนี่ซึ่งตรงนี้นี่คงต้องกำชับให้อาสาสมัครอสมเนี่ยไปทำความเข้าใจนะเร่งนะฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ในแพทย์กิติภูมิวรจิตปรัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่ามีการมีแผนจะนำโรคโควิด -19 เข้าสู่เป็นโรคประจำถิน่นนะซึ่งก็เตรเตียมไว้4ระยะซึ่งระยะแรกนี่ถึงมีนาถึงต้นเมษาเป็นช่วงของการระบาดขาขึ้นก็คิดว่าจะมีการระบาดและรุนแรงระยะที่2เมษาถึงพฤษภาจะเป็นช่วงของการคงระดับผู้ติดเชื้อ ก็เป็นแนวเส้นกราฟในแนวระ น, นาบว่าอย่างนั้นระยะที่3ก็เป็นปลายเดือนพฤษภาถึง30มิถุนายนเป็นช่วงของการลดจำนวนผู้ติดเชื้อนะจะให้เหลือประมาณพ0 0ถึง 2,000 คนต่อวันนะส่วนระยะที่4สุดท้ายเลย1กรกฎาคมเป็นต้นไปเป็นช่วงที่จะเข้าสู่โรคประจำถิ่นนะหรือบางคนก็จะเรียกว่าการ ออกจากโรคระบาดใหญ่มาเป็นโรคประจำถิ่นนะซึ่งตรงนั้นนี่ก็ต้องดูนะครับว่ามาตรการเหล่านี้จะเป็นไปตามที่มีการคาดการณ์กันหรือไม่นะครับนะซึ่งก็ต้องก็ต้องดูกันต่อต่อไปนะครับว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะส่วนในส่วนนี้นี่ก็ดูนะครับว่ามาตรการนาะยแพทย์ทะเล กรณ์ในวิวงอธิบดีกรมส่นบริการสุขภาพนะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมนะของคอร ม, มอรเห็นชอบหลักการการเนะบิกใจแบบยูเสบหรือว่าโควิดพัดนะซึ่งนะตรงนี้นี่กรณีที่นะตั้งแต่วันที่16มีนาคมเป็นต้นไปนี่กลุ่มนะผู้ติดเชื้อนะกลุ่มสีเหลืองสีแดงนะก็สามารถที่จะ รักษาได้ทุกที่แต่ว่ากลุ่มสีเขียวนี่ต้องไปยังสถานที่สถานพยาบาลที่ตนเองติดต่อไว้นะครับหรือมีสิทธิ์ในการเบิกนะเพราะฉะนั้นกลุ่มสีเขียวเนี่ยก็จะเบิกจากโรงพยาบาลรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนไม่ได้ก็อย่างที่อย่างที่เข้าใจกันนั่นะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูนะครับว่าวันที่16มีนาคมนี่มีการปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนกันไป ซึ่งนายแพทย์ทะเลก็ยกตัวอย่างนะครับนะกรณีคนที่มีสิทธิ์นะอยู่คนละพื้นที่ ก, กันนะครับอย่างเช่นไปทำงาน อ, อยู่อีกจังหวัดหนึ่งเป็นการชั่วค้าวแต่ติดโควิดเล็กน้อยหากมีบัตรประกันสังคมก็สามารถใช้บริการสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมได้นะครับส่วนบัตรทองนะตามนโยบายของรัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกว่า ก็สามารถใช้สิทธิทบัตรทองพัดรักษาเป็นผู้ป่วยนอกนะครับเหมือนกับโรคทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ยังรักษาได้ตามโรงพยาบาลต่างๆได้อยู่ ท, ท, ที่ที่มีสิทธิบัตรทองนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้นี่ก็ต้อ ง, ต, องต้องดูกันดูรายละเอียดกันดีดๆนะครับนะว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับนะมีการแบ่งกลุ่มนะครับเป็น 2- อสากลุ่ม นะครับคือถ้าเป็นกลุ่มสีเหลืองนี่ก็เป็นกลุ่มที่มีอาการปอดบวมหายใจเร็วไข้สูงต้องใช้ท่อออกซิเจนถ้ากลุ่มสีแดงนี่ก็จะเกิดภาวะช็อกหัวใจล้มเหลวและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งพวกนี้นี่เข้าโรงพยาบาลรัฐเอกชนได้ทุกที่เลยนะครับส่วนกลุ่มสีเขียวนี่กลุ่มอาการเล็กน้อยนี่ก็ต้องเข้าตามตามสิทธิ์นะครับตามสิทธิ์ของตนเอง เข้าโรงพยาบาลเอกนชนไม่ได้น่แหละครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับนะดูะรายละเอียดนะก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนะสำหรับประชาชนเพราะว่าเรื่องความเจ็บป่วยนี่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้ก็ติดติดกันมากเลยเลยต้องระมัดระวังนะการแพร่ระบาดของโควิดโอมครอนนี่นะครับก็กระจายตัวกันไปในชุมชนในครอบครัวนะ ซ, ซึ่งต้องระวังนะอย่าง ตามโรงเรียนเนี่ยมีกีฬาสีมีอะไรก็ติดกันตามรกเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องระวังกันในทุกส่วนแหละครับมาบฟังเพลงสักเพลงก่อนที่เราจะมาพูดมาคุยกันรับฟังเพลงสักเพลงครับตนะาครครับ ฉันยังมี กันมากนะก็ต้องดูเรามาพูดมาคุยกันต่อนะครับนะในช่วงนี้นี่เราจะเห็นว่าสถานการณ์สงครามในในรัสเซียเนี่ยนะส่งผลรัสเซียบุกยูเครเนส่งผลกระทบนะต่อต่อบ้านเราแล้วโดวยเฉพาะราคาน้ำมันนะปรับตัวสูงขึ้นนะครับนะสูงขึ้นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเนะนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยเริ่ม บอยคอร์ cott, ไม่นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียนะครับนะก็ส่งผลงกระทบต่อเศร ษ, ษฐกิจของโลกรนะาคาสินค้าแะ้วก็แพงขึ้นขึ้นมาเราจะเห็นว่าวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาปตทนี่ปรับราคาน้ำมันเบนซิลขึ้นอีก80สตางค์นะครับนะตั้งแต่เวลา5นาฬิกาซึ่งทำให้วันที่10มีนาเนี่ยราคาน้ำมันเบนซิลออกเทลเนี่ยอยู่ที่ลิตรละีดบาทก็ใกล้จะ ลิตรละ50บาทแล้วนะครับแล้วก็ลดหลั่นกันตามลงมานะครับนะส่วนน้ำมันดีเซลยังตึงราคาเหมือนเดิมนะคือ7เ7ในยอยู่ที่ลิตรละ 29.94 บาทนะครับเนะียเื่อพอมีการเรียกร้องกันมากจากรถบรรทุกจากอะไรต่างตรัฐบาลก็าอาจจะไม่กล้าขึ้นส่วนในขณะที่ราคาทองนี่ก็ปรับขึ้นราคากันมากชาวบ้านนี่นำเอาทองไปขายตามร้าน ขายทองนี่คิวยาวเยียดนะครับนะทั้งยาวราชทั้งต่างจังหวัดนะซึ่งก็ราคาทองคํนี่ก็ขึ้นเลยทีเดียวถึง900บาทนะครับนะโดยล่าสุดนี่ทองคําแท่งนี่รับซื้ออยู่ที่บาทละ3า9 0 0ัการ้อว่าอย่างนั้นนะครับร ง, รงบันแท่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ส่วนล่องทองรู ป, ประพันธ์ก็รับซื้ออยู่ที่บาทละ 30, 1, 3ามห0ัาบาท นะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่เราก็จะเห็นว่าชาวบ้านนะเริ่มที่จะเอาทองนะออกมามาขายนะครับนะเพราะว่ามีวิกฤตนะฮะวิกฤตกันมากเนี่ยก็เศรษฐกิจก็เอาทองมามาขายนะในขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ลีไพยแห่งสหประชาชาติก็บอกว่าตอนนี้ี่ภูลีไพยซึ่งผลส่งผลกระทบจากสงครามรัสเซียบุกยูเครนเนี่ย ทะลุประมาณสองล้านคนแล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะก็จะอบพยบลีไยไปในประเทศโปรแลรนด์มากที่สุดนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่ทางทิศตะวันตกของยูเครนแครับนะ ป, นประมาณ1ล้าน 200,000 คนนะครับก็ข้ามพรมแดนเข้าไปในโปรแลรนด์วันละกว่าประมาณ 1,40,000 คนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงกับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็จะ สาธารณชาตินี่ต้องให้คําช่วยเหลือนะตามสิทธิมนุษยชนนะครับส่วนคนไทยเราที่ไปทํางานในยูเครนนี่รับกลับมาเป็นชุดที่7แล้วนะรับมาเรื่อยๆนะนะชุดที่7นี่ก็สิคนกระทยอยมาเรื่อยๆแหละครับนะนะซึ่งตรงนี้นี่ก็อตอนนี้นี่ก็ในส่วนของคนไทยเราเนี่ยอพยพมาแล้วกว่าสองร้อกว่าค น, นก็คงจะต้องดูแลนะเรามีคนไทยไปทํางานอยู่แถว ยูเครนแถวรัสเซียมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนะความตรงนี้นี่ส่งผลกระทบกันกันมากโดยโดยท่วหน้าต้องจับตาแล้วครเพราะว่าแต่ละแต่และประเทศนี่มีนิวเคลียร์แล้วก็มีการไปยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่ก็หลายคนห่วงเกี่ยวกับเรื่องของกมัมพานตะลังสีนะเพราะนนั้ตรงนี้นี่คงจะต้องต้องดูอยากให้มีการเจรจาใ ห, ให้ให้เกิดสันติภาพโดยโดยเร็วที่สุดนะครับนะความตรงนี้นี่คงจะต้อง ติดตามกันดูส่วนในสภากำลังมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐ น, นูลเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งกันอยู่นะครับนะเพราะว่าบัตร2ใบแล้วจะทำอย่างไรกันต่อมีการนับคะแนนสัดส่วนอะไรยังไงก็ติดตามดูตามสื่อเชี่ยนแล้วก็สื่อการประชุมโดยทั่วๆไปนะครับเราจะเห็นนะครับส่วนกระทรวงศึกษา น, นี่ย ก, กำลังเร่งแก้ปัญหานี่ครูนะครับนะวันที่เก้ามีนาคมที่ผ่านมา นางสาตรีนุทเทียนทองน้ำีศึกษาก็บอกว่าพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี่สินครูนะโดยจะร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมสากรสากรอมทรัพย์ครูนะครับหลายๆส่วนให้มาช่วยกันโดยบอกว่าจะต้องครูเนี่ยจะให้เหลือเงินเดือนไว้ไว้สำหรับเลี้ยงชีพประมาณ1้0ยละ30ต่อเดือนว่า ง, งั้นครับนะเพราะว่าถ้าหักหมดนี่ก็จะไม่มีค่าใช้ใจ่าย ในการที่จะมาเลี้ยงชีพมาดูแลครอบครัวว่าอย่างงั้นนะครับนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีสากลอมซั์ครู70แห่งเข้าร่วมปรับอัตราดอกเบีย้ยนะโดยจะให้ดอกเบีย้ยเงินกู้ลดลงมาตั้งแต่0 0 5ยจุดถึงหนเะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็มีการเจรจาคือลดดอกเบีย้ยลงมาหรือผ่อนยาวขึ้นอะไรต่างต่านะครับนะเพราะว่าก็อย่าง ก, ก็ตรงนี้นี่ก็กําลังดําเนินการ กันอยู่นะครับก็คงจะต้องดูนะครับนะจริงๆแล้วก็ทั้งครูแล้วก็ทั้งชาวบ้านทั้งเกษตรก ร, กรนี่กัมีปัญหาเกี่ยกับเรื่องของหนี้สินกันกันกันมากนะครับนะเราก็จะเห็นว่ามีเกษตรก ร, ะกรนะชาวบ้านไปชุมนุมเรียกร้องอยู่หน้ากระทรวงการคลังให้มีการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับนะก็แต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าชาวบ้านเสียงไม่ดังนี่ก็จ ะ, ะไม่ค่อยมีคนมา ดูแลนะผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังไม่ไมมารับข้อเสนออะไรต่างๆนะจากที่สื่อมวลชนก็วิพากษ์วิจารณ์ก็อยากให้มีตัวแทนมารับข้อเสนอมาพูดมาคุยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยคงจะต้องดูนะครับว่าจะจ ะ, จะช่วยเหลือกันกันอย่างไรนะครับนในสถานเนี่ยที่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างที่จ ะ, อะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะครับนะเพราะหลังหลายคนเนี่ยไม่ได้ทำงานหลังจากที่ เกิดภาวะวิกฤตโควิดนี่ก็ไม่มีนะไม่มีงานทำนะก็จะทําอย่างไรกันได้นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูนะครับนะ ว, ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ในส่วนของห อ, องการค้านี่มีการบอกว่าหลังจากเกิดสงครามกันขึ้นมาในส่งผลกระทบนะต่อการค้ากันกันมากนะครับนะมีการคาดการณ์กันเป็นแสนล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องหามาตรการในการที่จะ แก้ไขนะครับแก้ไขกันว่าจะทําอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นหรือคงนี้คงจะต้องแก้คันกันแก้ไขกั น, นหลายหลายมาตรการนะหลายแก้ไขหลายๆมาตรการปัญหานี้สิตนี่ปัญหานีิสินในครูเรือนเดี๋ยวจะเห็นว่ามีมีมแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะาชาวบ้านไม่เข้าไม่ได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบีย้ยถูกนะครับนะว่าหลายคนนี่ก็ไปกู้ดอกระบบนะซึ่งก็ดอกแพงนะแล้วก็มีการ มขมคู่กันแล้วก็จะเห็นเป็นข่าวขาวกันอยู่ตามาสื่อมวลช น, นซึ่งตรงนี้นี่ก็อาจจะมีการตั้งธนาคารคนจนกั น, ข, นขึ้นมาหรือไม่เนี่ยนะซึ่งตรงนี้นี่นะรัฐบาลเนี่ยจะต้องลองดูนะครับน ะ, นะเพราะว่าในส่วนของแม่ค้าแม่ขายนะรายย่อยเนี่ยจะจะบางครั้งเข้าไม่ถึงนะไม่สามารถที่จะไปกู้เงิ น, นในสถาบันการเงิ น, นขนาดใหญ่ได้เหมือนกันเพราะไม่มีหลักประกันอะไรต่าง เพราะนั้นตรงนี้นี่ก็ถ้ามีการให้ให้ชาวบ้านให้ให้ประชาชนแมนะ้ค้ารายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินกู้ขนาดย่อมได้นะแล้วก็ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแ่ะครับนะตอนนี้นี่เราจะเห็นว่านะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหนี้สินนี่ก็เป็นปัญหาเป็นหานักพอสมควรนะเราจะทำอย่างไรที่จะกระตุ้นให้ SME นี่ฟื้นนะฟื้นตัวขึ้นมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ พะเอสเอนี่ก็จ้างงานไปเยอะนะถ้าฟื้นมาก็จะช่วยได้มากนะครับท่พันุ์ตรงนี้นี่คงจะต้องอช่วยกันใน ห, หลายๆฝ่ายแหละครับนะเพื่อที่จะทํ า, าให้ประเทศของของเรานี้ฝ่าวิกฤตกันขึ้นมาได้นะครับนะทนพันธุ์ต้องต้องช่วยกันในทุกภาคส่วนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการเราชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เราร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์กุลธนานต้องขอลา ท่านเพิ่มกันเราพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ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 เธอจงมั่นใจรักที่มากล้นขอเพียงเราสองคนไม่ล้มทางใจจะมีแต่เราจะมีแค่เราจะเป็น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 แค่ไหนตอบด้วยใจวันไหนฉันก็รักเธอ เช่นลมหายใจคือพันมีกันและกันตลอดไปรอใจยังไงก็ยังรักเธอสมําเสมอรักเธอไม่เสื่อมคลายเธอถามด้วยสายตามาก แค่ไหนตอบด้วยใจวันไหนฉันก็รักเธอตอบด้วยใจวันไหนไหนฉันก็รัก